สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือรองดีเจ้าแม่เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือรองดีเจ้าแม่นี้คุณประเทืองลุยสว่างได้บันทึกส่งมาให้ข้าพเจ้าพร้อมกับรูปถ่ายและคำรับรองของคนบางคนที่เห็นเหตุการณ์เมื่อข้าพเจ้าอ่านดูแล้วก็รู้สึกว่า เป็นเรื่องที่มีหลักฐานพอจะเชื่อถือได้จึงได้นำลงในหนังสือวิญญาณอันที่จริงเรื่องในทํานองนี้มีอยู่มากมายในเมืองไทยซึ่งถ้าหากจะนำมาลงทุกๆเรื่องก็คงจะมีมากจนลงกันไม่ไหวแต่ข้อที่เสียก็มักจะมีอยู่ว่าผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์หรือผู้ที่ได้มีประสบการณ์มาด้วยตนเองมักไม่ค่อยจะบันทึกกันไว้และไม่ทาเป็นหลักฐานไว้ให้แจ่มแจ้ง เรื่องประเภทนี้ส่วนมากจึงอยู่ในลนักษณะของคำบอกเล่าที่สืบต่อกันมาและเมื่อเล่ากันไปหลายทอดเรื่องก็ได้ถูกต่อเติมและบางทีข้อเท็จจริงบางอย่างที่ควรจะเล่าเอาไว้เพราะเป็นประโยชน์ในทางพิสูจน์แต่แล้วผู้เล่าบางคนก็มักจะลืมไปเสียเลยทาให้เรื่องประเภทนี้อยู่ในความสงสัยของพวกนักศึกษาซึ่งเขาเองก็อยากจะเชื่อแต่ก็เชื่อไม่ค่อยลงเพราะไม่เข้าใจเหตุผล และไม่มีใครอธิบายให้เขาเข้าใจได้เรื่องในทำนองนี้ซึ่งได้มีมานานแล้วตั้งแต่สมัยโบราณหรือตั้งแต่สมัยดึกดำบันทีเดียวแต่แล้วคนทั้งหลายก็ยังสงสัยว่าจะเป็นเรื่องไม่จริงอยู่นั่นเองเรื่องที่คุณประเทืองลุยสว่างประสบมาด้วยตนเองดังที่เล่าไว้นี้แม้จะเป็นเรื่องจริง แต่ถ้าพูดถึงในด้านประโยชน์ที่จะเกิดแก่ประชาชนซึ่งก็มีอยู่นั้นถ้าหากคนทั้งหลายไม่เข้าใจขอบเขตหรือไม่เข้าใจเรื่องนี้ให้ตลอดแล้วก็มักจะทำให้ประชาชนส่วนมากเกิดความงมงายเกิดยึดถือในทางที่ผิดได้เช่นเมื่อพูดถึงเจ้าพ่อหรือเจ้าแม่ที่อยู่ตามศาลหรือเจ้าป่าเจ้าเขาหรือโอปป้าติกะที่ไหนก็ตามที่นับถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธินั้น คนทั้งหลายก็มักจะเข้าใจไปในทํานองนี้เกือบทั้งนั้นคือเข้าใจว่าถ้าท่านไม่พอใจก็อาจจะลงโทษ ด, ด้วยวิธีต่างๆและการเส้นสังเวยก็มักจะต้องมีเล่ามีเลือดอะไรทํานองนี้ซึ่งความเป็นจริงโอปปปาติกะชั้นดีทั้งหลายจะไม่นิยมการสังเวยหรือการบวงสรวงแบบนี้เป็นอันขาดและความเป็นจริง พวกโอปปาติกะที่ชอบเครื่องสังเวยแบบนี้ก็บอกให้รู้ถึงฐานะของจิตใจที่มีมาตั้งแต่เดิมสมัยเมื่อเป็นมนุษย์หรือไม่เช่นนั้นก็สอให้เห็นถึงลักษณะของจิตใจของผู้ที่ทำการสังเวยแบบนี้ซึ่งส่วนมากผู้ทำการสังเวยก็คิดเอาเองโดยไม่ได้รู้ถึงความประสงค์ที่แท้จริงของเจ้าพ่อเจ้าแม่เหล่านั้นดังเช่นในเรื่องนี้ก็มี คือมีคนเอาประหลัดขิดไปไว้ที่ศาลเจ้าแม่โดยคิดเอาเองว่าเจ้าแม่ชอบซึ่งโดยที่แท้แล้วมันเป็นความคิดอุตริค่อนข้างจะลามกของผู้ที่กระทำเช่นนี้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงใคร่ที่จะขอเตือนผู้ที่ได้อ่านเรื่องอย่างนี้หรือได้ยินได้ฟังเรื่องทำนองนี้จากที่ไหนก็ตามได้โปรดพิจารณากันให้ถี่ถ้วนอย่าได้หลงเชื่ออะไรกันง่ายๆและโดยเฉพาะผู้ที่เป็นคนทรง หรือผู้ที่ทำการติดต่อกับบรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายก็ขอได้โปรดพิจารณากันให้ถี่ถ้วนด้วยทางที่ดีควรจะดูกันหลายๆครั้งเพราะนักทรงวิญญาณหรือนักติดต่อวิญญาณที่หลอกลวงโดยความตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจในปัจจุบันนี้มีมากส่วนที่ติดต่อได้จริงและถ่ายทอดความจริงมาได้ถูกต้องถึงแม้จะมีอยู่ แต่ก็มีอยู่เป็นส่วนน้อยมากและในบางครั้งทั้งที่เคยทำมาได้ถูกต้องแต่ก็อาจจะผิดพลาดได้ถ้าหากเอาเอารมณ์ของตนเองเข้าไปแทรกในระหว่างการติดต่อรายละเอียดเกี่ยวกับหลักวิชาเหล่านี้ข้าพเจ้าเคยเขียนมามากแล้วผู้ที่สนใจต้องย้อนกลับไปอ่านตอนตอน้ตนเช่นในวิญญาณรวมเล่มปี2508เป็นต้นหรือย้อนกลับไปฟังแววเสียงสวรรค์ตั้งแต่เล่มหนึ่ง เท่าที่พูดมาเนี่ยเป็นการเตือนสติและขอได้โปรดทราบไว้ด้วยว่าเรื่องที่คุณประเทืองเล่ามานี้ก็ยังมีปัญหาอยู่หลายข้อแต่จะปล่อยให้ท่านผู้อ่านผู้ฟังได้ศึกษาเรื่องนี้ไปพ ล, งพลางๆก่อนในฉบับต่อไปข้าพเจ้าจึงจะวิจารให้ท่านฟังเพราะปัญหาในเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เรียนถามโอปปปาติกะตนหนึ่งเอาไว้แล้วขอใหรออ่านในฉบับเดือนกันยายน สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือรองดีเจ้าแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออะไรบ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากละโลกจงดนบันดาลคำเหล่านี้ทุกคนได้ยินได้ฟังกันจนชินหูสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่ที่ไหนบ้างต่างก็ยังมองไม่เห็นตัวตนที่ยึดมั่นกันทุกวันนี้ก็คือ พระพุทธรูปตามโบทวิหารต่างๆหรือเทพเจ้าเบื้องบนและเจ้าพ่อเจ้าแม่ตามสารเจ้าต่างๆใหญ่บ้างเล็กบ้างชาวจีนถือว่าเป็นที่สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือมีดวงวิญญาณของเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่มีดวงวิญญาณอันวิเศษมีทิพย์อำนาจอลลัมเลิศจะมีจริงหรือไม่เพียงไรข้าพเจ้าเชื่อร้อยเปอร์เซนเพราะข้าพเจ้ามีตาในเห็นด้วยตาใน ผู้ที่ไม่เห็นบางท่านก็เชื่อด้วยเหตุผลบางท่านไม่เชื่อซ้ำไม่ฟังเหตุผลเอาเสียเลยเข้าใจว่า ง, งมงายข้าพเจ้าประเทืองลุยสว่างแห่งสำนักเทวปูชนียสถานทูตวิญญาณหนึ่งเทับหเฉลิมชาติเก่าจังหวัดนครสวรรค์ได้พบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เห็นประจักษ์ตาข้าพเจ้าจะขอเล่าเรื่องสารเจ้าแม่หนองตะโก เมื่อปีพุทธศักราช2511ปลายปีเช้าวันหนึ่งนายเขียนเจ้าของร้านฝ่อเฮงในตลาดนครสวรรค์ได้มาเชิญข้าพเจ้าไปยังศาลเจ้าแม่หนองตะโกซึ่งเป็นศาลที่สร้างขึ้นใหม่ศาลเก่าเป็นไม้ถูกผู้รองดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รื้อไปแล้วบัดนี้ได้มีผู้เชื่อถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้สร้างขึ้นใหม่ นายเขียนผู้มาเชิญข้าพเจ้าไปยังศาลคิดจะปั้นรูปเจ้าแม่ให้ท่านใหม่จึงเชิญข้าพเจ้าไปนั่งดูลักษณะของเจ้าแม่เมื่อข้าพเจ้าไปถึงศาลเจ้าแม่ข้าพเจ้าได้เดินตรวจดูจนรอบศาลและเดินเข้าไปในบริเวณศาลสายตาของข้าพเจ้าก็ไปพบสิ่งที่ไม่น่าจะมีอยู่ในศาลนั้นเลยสิ่งนั้นก็คือประหลัดขิก วางอยู่ต่อหน้าเจ้าแม่หลายอันมีเล็กบ้างใหญ่บ้างบางอันทาสีแดงไว้ที่ปลายใครเป็นคนเอาของพวกนี้มาไว้ในสารเนี่ยข้าพเจ้าถามฝอเฮงผมก็ไม่ทราบอ่ะเห็นมีอยู่ยงี้นานละเจ้าแม่จะชอบของอย่างนี้เหรอผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้อ่ะฝอเฮงตอบข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าฟังฝอเฮงแล้วข้าพเจ้าก็เริ่มใช้จิต ข้าพเจ้าจุดทูปเทียนขึ้นแล้วก็เริ่มนั่งพร้อมกับใช้ตาในของข้าพเจ้าพินิษพิจารณาดูดวงรัศมีของเจ้าแม่จิตข้าพเจ้าก็ขออธิษฐานเห็นภาพอันแท้จริงของเจ้าแม่ในทันใดนั้นภาพก็ปรากฏให้ข้าพเจ้าเห็นด้วยตาในเป็นหญิงร่างชราขาวท้วมตัดผมดอกกระทุ่มข้าพเจ้าส่งจิตถามขึ้นว่าในที่นี้คุณประเทืองเป็นสุภาพสตรีนะครับ ดังนั้นจึงขอเปลี่ยนสรพนามเพื่อความเหมาะสมในการอ่านนะครับเจ้าแม่ครับผมขอทราบชื่อที่แท้จริงของเจ้าแม่ว่าชื่ออะไรไม่ทราบครับข้าพเจ้าถามเจ้าแม่เราชื่อทองเพียนเป็นวิญญาณเก่าแก่สถิตในที่นี้มานานนักหนาแล้วตั้งแต่ยังไม่มีใครตั้งศาลให้เลยเจ้าแม่บอกข้าพเจ้า สิ่งที่น่าเกลียดวางอยู่ตรงหน้าเจ้าแม่เนี่ยเป็นเพราะเจ้าแม่ต้องการมันหรือเป็นเพราะมนุษย์พิเรนเอามาให้โดยเจ้าแม่ไม่เรียกร้องครับข้าพระเจ้าถามเจ้าแม่ก็จะอะไรซะอีกเล่าก็มนุษย์พิเรนฝันขึ้นมาเองแล้วก็เข้าใจว่าข้าต้องการความจริงข้าไม่เคยไปเข้าฝันใครเลยแรกๆ ก, ก็เพียงคนพิเรนคนเดียวทําเอามารดยตัวข้าไม่เคยไปสงค์มันต่อๆมาก็มีคนเอาอย่างเพราะเข้าใจผิดคิดว่าข้าชอบทุกวันเนี้จึงมีมากขึ้น ข้าจะบอกกับเขาก็ไม่รู้เรื่องวันนี้ข้าดีใจมากที่พบคนดีมาหาข้าและพูดกับข้าได้ข้าจึงพูดให้เข้าใจเนี่ยพวกมนุษย์เนี่ยก็มีแปลกๆข้าไม่เคยถือโทษโกรธเคืองเพราะเห็นว่าเขาก็นับถือข้าแต่เขาไม่เข้าใจในข้าก็แค่นั้นแต่ก็ยังมีมนุษย์ที่ไม่เชื่อเข้าใจว่าเป็นรูปตุ๊กตาตัวหนึ่งไม่มีวิญญาณอะไรดูสิร่างข้าถูกยิงเป็นรอยกระสุนหลายแห่งแล้วก็ยังมีมนุษย์มาลองดีข้า หรือสารเก่าของข้าเจ้าแม่ชี้แจงให้ข้าพเจ้าฟังเจ้าแม่รู้ไหมครับว่าใครข้าพเจ้าถามรู้สิแต่เวลาเนี้ยยังเคราะ์ดีอยู่ไว้ปีหน้าข้าจะเอาตัวไปให้เจ้าที่สํานักละกันและเจ้าก็จะรู้ว่าเป็นใครเจ้าแม่บอกข้าพเจ้าเมื่อไหว้เป็นที่เรียบร้อยข้าพเจ้าพร้อมด้วยครอบครัวฝ่อเฮงก็พากันกลับนครสวรรค์ ข้าพเจ้ายังคงคิดอยู่ในใจในการบอกเล่าของเจ้าแม่ทองเพียนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นจึงบอกให้ฝ่อเฮงรู้ต่อมาเข้าปีพุทธศักราช2512ของวันที่18กันยายนได้มีร้านเอี่ยมเสงในตลาดนครสวรรค์ได้นำคนขับรถของร้านขายเครื่องเหล็กมาหา ได้พากันมา 4-5 ห้าคนเอี่ยมเสงได้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าเอารถขึ้นไปบนเขาดีๆกลับมาตกกลางคืนก็พูดไม่ได้เอี่ยมเสงเป็นผู้นับถือสำนักเทวปูชนียสถานแห่งทูตวิญญาณคนหนึ่งไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็นึกถึงสำนักนี้ก่อนจึงพากันมายังสำนักของข้าพเจ้าในเวลานั้นเป็นเวลาเที่ยงข้าพเจ้าถามว่า คนที่พูดไม่ได้เนี่ยเชื่ออะไรเพื่อนร่วมงานตอบข้าพเจ้าว่าชื่อนายประเจิดครับเพื่อนร่วมงานบอกข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็เรียกให้นายประเจิดเข้ามานั่งถือเทียนทั้งห้าต่อหน้าเทวทูตประจำสํานักขึ้นไปบนเขากบไปทำอะไรมาจึงทำให้พูดไม่ได้ข้าพเจ้าถามนายประเจิดแต่นายประเจิดพูดไม่มีเสียงออกมาเลยจะว่าใบก็ไม่ใช่ คนใบยังพูดมีเสียงออกมานายประเจิดพูดไม่ออกเป็นเสียงเลยแม้แต่นิดเดียวจึงทำท่าทางให้ข้าพเจ้าฟังว่าพูดไม่ได้ข้าพเจ้าจึงหันมาถามภรรยาของนายประเจิดเธอเป็นเมียใช่ไหมข้าพเจ้าถามหญิงที่นั่งใกล้ข้าพเจ้าใช่ค่ะเมียนายประเจิดรับคำเป็นเพราะอะไรจึงพูดไม่ได้ข้าพเจ้าถามภรรยาของนายประเจิดดิฉันก็ไม่ทราบเอารถขึ้นไปบนเขากบ พอกลับมาถึงบ้านตกกลางคืนก็พูดไม่ได้ภรรยานายประเจิดอธิบายให้ข้าพเจ้าฟังเมื่อข้าพเจ้าฟังภรรยาของนายประเจิดแล้วต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็รวมจิตสมาธิมุ่งไปยังเจ้าพ่อเขากบทันใดนั้นก็มีเสียงตอบข้าพเจ้าทันทีแต่ไม่ใช่เจ้าพ่อเขากบกลับเป็นเสียงของเจ้าแม่ทองเพียนแห่งนองตะโกข้าเอาตัวคนรื้อสารของข้ามาให้เจ้าแล้ว ข้าจะให้มันพูดได้เฉพาะหน้าเทวทูตประจําสํานักของเจ้าเพียงประโยคเดียวเจ้าถามได้เลยเจ้าแม่ทองเพียรให้ข้าพเจ้าถามนายประเจิดวิญญาณที่สิงอยู่เนี่ยเป็นวิญญาณมาจากไหนข้าพเจ้าถามวิญญาณที่สิงนายประเจิดมาจากสูงบาปมากจะต้องให้ดื่มเลือดคนชั่วกับเลือดพรมจารีแล้วจึงจะพูดได้นายประเจิดบอกได้เพียงประโยคเดียวต่อจากนั้นก็พูดไม่ออกเป็นเสียงเลย ก่อนจะพูดออกเป็นเสียงนายประเจิดได้ยกมือขึ้นสุดแขนและพูดออกเสียงว่ามาจากสูง ข, ขอให้ท่านผู้ฟังรู้ไว้นี่แหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถทำให้เป็นไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่ทุกหย่อมหญ้ารอบๆตัวมนุษย์ตามถนนหนทางรถผ่านไปมาและตามสันเจ้าต่างๆเล็กบ้างใหญ่บ้างไม่เท่ากัน สารเจ้าอาจมีได้ทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นจังหวัดหรือตำบลแล้วแต่ผู้คนในจังหวัดหรือตำบล น, นั้นๆจะศรัท ธ, ธาหรือไม่รถทุกคันที่ผ่านไปมาต่างทําความเคารพด้วยวิธีไม่เหมือนกันพวกที่ผ่านมาไม่ทําความเคารพก็มีแต่ก็ไม่ควรแสดงการเหยียดหยามหรือลบหลูก่การทําความเคารพเจ้าพ่อเจ้าแม่มีวิธีต่างๆกันเช่นใช้วิธีบีบตรายรถทําความเคารพ บ, บ้าง ใช้มือซ้ายยกขึ้นบ้างเพราะมือขวาถือพวงมาลัยรถไว้ตลอดเวลาสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อะไรอะไรก็ไม่สําคัญเท่าจิตส่วนการแสดงการเคารพนั้นจะแสดงด้วยวิธีไหนก็ได้ต้องให้จิตเราคารวะต่อวิญญาณในสถานที่นั้นเป็นใช้ได้บางคนไม่ทําความเคารพซ้ํำยังแถมปากมากบางคนก็ลองดีเข้าใจเอาเองว่า สิ่งที่ตั้งอยู่นั้นไม่มีอะไรมีแต่รูปปั้นเท่านั้นจะพูดหรือว่าอะไรก็ได้ดังตัวอย่างของนายประเจิดที่จะเล่าต่อให้ท่านฟังเรื่องสารหนองตะโก